ดารินเริ่มออกเดินทอดน่องไปช้าช้าหนุ่มกเกลี้ยงร่างยักษ์เดินตามไปเบื้องหลังอย่างสงบจะพูดด้วยก็ต่อเมื่อถูกถามเท่านั้นหล่อนเดินตรวจไปทั่วบริเวณที่พวกลูกหาบนอนกันอยู่เป็นระยะแล้วก็มาหยุดยืนกอดอกอยู่ที่เกวียนคันหนึ่งอันเป็นเป้าหมายที่แง่สายชี้ให้ดูเมื่อตะกี้นี้ริมฝีปากงามมีรอยยิ้มนิดนิดใต้เกวียนที่ใช้แทนหลังคากันน้ําค้าง พระินภัยวันนอนอยู่กับพื้นดินโดยมีกระสอบป่านปูรองไว้มันเป็นลักษณะการนอนไม่ผิดอะไรกับพวกพรานหรือลูกหาบทั้งหลายนั่นแหละร่างนั้นนอนง้ายกอดอกมีเสื้อแจ็คเก็ตชนิดหนาสวมอีกชั้นหนึ่งศีรษะพาดอยู่กับถุงข้าวสารหมวกศักสาราดใบที่เห็นสวมอยู่เป็นประจำครอบปิดอยู่ที่หน้าส่วนเท้าหันออกไปทางด้านป่าและส่วนศีรษะหันไปทางแคมป์ ไรเฟิลคู่มือวางแนบตัวอยู่ทางด้านขวามือผู้กองมานอนอยู่นี่เองเสียงแง่ทายพึมพำออกมาเบาๆดารินแก้งใช้ฝิดฉายแปดท่อนที่ถืออยู่ในมือสองจ้าก็าไปที่ใบหน้าอันมีหมวกครอบปิดอยู่นั้นก็ไม่เห็นเขาไหวติงอะไรลมหายใจอยู่ในจังหวะเรื่อยๆได้ระดับอันหมายถึงว่าดับสนิทดูเหมือนจะมีเสียงกรนเบาๆหญิงสาวหัวเราะหึ่ ทำไมเธอเรียกเขาว่าผู้กองร่อนถามเบาๆผมเคยเรียกเขาเช่นนี้มาก่อนครับเขาเป็นผู้บังคับกองร้อยหน่วยหมีดำตำรวจตะเวนชายแดนไทยผู้กองค่ายแตกเดนตายนะหรือไหนลองเล่าซิเธอเคยช่วยชีวิตเขาไวเบดยังไงดาลินพูดขันขนผมไม่ได้ช่วยชีวิตเขาโดยตรงหรอกครับนายหญิงผมเพียงแต่ละโอกาสที่จะฆ่าเขาเสียเท่านั้น ค่ายมีดำถูกร้อมด้วยโจรกะเหลี่ยงที่เหนือกว่าทั้งคนและอาวุธผู้กองตีฟานน้าหนีออกมาทางด้านผมพอดีผมสั่งให้พลประจำปืนกลหยุดยิงจนกระทั่งเห็นเขาหลบพ้นวิถีกระสุนไปก็แล้วทําไมเธอถึงสั่งให้หยุดยิงมีเหตุผลอย่างไรในการที่เธอปล่อยให้เขาลอดชีวิตไปทั้งๆ ท, ที่ขณะนั้นต่างฝ่ายก็ต่างเป็นศัตรูที่จะต้องฆ่ากันแง่ซ า, ายหัวเราะกว้างๆสรรันสีรษบ ผมบอกไม่ถูกครับนายหญิงที่ผมเข้าร่วมรบเป็นทหารกะเหลียงอิสระในครั้งนั้น mm. ก็เป็นไปตามหน้าที่จำเป็นเท่านั้นผมไม่ได้คิดเป็นศัตรูกับใครแท้จริงไม่ได้มีอุดมการอะไรยึดมั่นแรงกล้าพอที่จะสังหารชีวิตมนุษย์ชนิดที่มองเห็นกันซึ่งซึ่งหน้าได้หลงคอโดยไม่จำเป็นผมเพียงแต่ถูกบังคับให้รบเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมสืบทราบมาก่อนผู้กองเป็นคนดีมาก ดียังไงหล่อนซากอย่างนึกสนุกโดยที่ผู้ถูกกว่าขันถึงนอนกล่นอยู่เบื้องหน้าเหมือนจะไม่รู้สึกตนว่ามีใครมายืนสนทนาคำ้ำศีษะอยู่เสียงกล่นของเขาได้ระดับอยู่เหมือนเดิมผู้กองเป็นคนยุติธรรมและมีวาจาเป็นสัจจะน่านับถือไม่มโหร้ายทารุนเหมือนนายตำรวจตะเวนชายแดนบางคนตารวจเหล่านั้นแม้จะเพียงสงสัยว่า ใครเป็นสายของโจรกะเหลียงก็จะยิงทิ้งทันทีหรือมิฉนั้นก็ทำทารุณไม่เพียงแต่พวกกะเหลียงผู้ชายเท่านั้นมันเดือดร้อนไปถึงหมู่บ้านกะเหลียงที่เป็นผู้หญิงด้วยผู้กองไม่เคยทำอย่างนั้นใครจำนวนยอมแพ้ผู้กองก็จะจับโดยดีไม่เคยฆ่าใครบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับกองโจรก็จะไตส่สวนลับปล่อยไม่เคยอัศจรรย์หลอกลวงกะเหลียงคนใดในครั้งนั้นผู้กองไม่เคยรู้จักผม แต่ผมสืบทราบประวัติผู้กองมาได้ทุกระยะเป็นอย่างดีและผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้กองในวันก่อนหน้าที่จะเข้าตีค่ายหมีดำผมเตือนให้ผู้กองทราบว่าค่ายจะถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักจากกองกําลังทหารโจรเป็นกองพันแต่ผู้กองไม่เชื่อผมเพื่อนของผู้กองคนหนึ่งชักปืนจะยิงผมทิ้งโดยอ้างว่าผมจะต้องเป็นสายโจรแต่ผู้กองเป็นคนห้ามไวไ้ไล่ผมไปผู้กองก็ช่วยชีวิตผมไว้เหมือนกัน อืมหญิงสาวครางพยักหน้า ช, าชา้าๆยิ้มระัายอยู่ในสีหน้าสายตาจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าอนันคมสันของหนุ่มกะเกลี่ยงผู้ลึกรับก็เร <ต purchase? S 1> ียกว่าต่างคนต่างเคยมีบุญคุณต่อกันมาก่อนนะแต่ฉันสังเกตดูตั้งแต่วันแรกที่เธอมาขอสมัครเดินทางไปกับเราแล้วเขาท่าจะไม่ไว้ใจเธอนักแต่เป็นเพราะเกรงใจพี่ชายของฉันจึงต้องรับเธอไว้แง่าสายหัวเราะออกมาอีก เป็นหัวเราะที่บริสุทธิ์เปิดเผยผู้กองเป็นคนฉลาดและรอบคอบมากครับนายหญิงสัญชาติเสือย่อมจะไม่ยอมไว้วางใจสิ่งใดเป็นอันขาดถึงในขณะนี้ผู้กองก็ยังไม่ไว้ใจผมสนิทนักผู้กองทำถูกแล้วครับแต่ผมถือความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งถ้าผมทุจริตผมก็ไม่กล้าเข้ามาเผชิญหน้าเขา ผมรู้ว่าไม่มีวันจะหลีกหลบซ่อนความทุจริตไว้ได้จากสายตาอันคมยิ่งกว่าพญาเหี่ยวของเขาหญิงสาวยักษ์ไกลรู้สึกว่าเธอจะศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นและเกรงใจเขาเหลือเกินนะทุกคนในป่านี้ศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นและเกรงเขาครับไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความสามารถและความดีคณะของนายหญิงมีสายตาอันฉลาดแหลมคมแล้วที่เลือกเอาเขาเป็นพรานนำทางครั้งนี้ ฉันไม่เห็นจะเลื่อมใสสักนิดก่อนที่เราจะออกเดินทางเรามองไม่เห็นพรานคนไหนนอกจากเขาและคนที่เราเชื่อถือไว้ใจก็สนับสนุนให้จ้างเขาถ้าฉันพบเธอเสีย ก, ก่อนและรู้ว่าเธอชํานาญการเดินป่าแถบนี้ไม่ได้ดีกว่าเขาฉันก็คิดว่าให้เธอเป็นพรานนําทางดูจะดีกว่าต้องมาง้องอนคนคนนี้เสียอีกรู้ไหมเราต้องอ้อนวอนเขาสารพัดแทบจะเรียกว่ากราบไหว้ทีเดียวแล้วเขาก็เรียกข้าจ้างแพงลิฟ มีหนำซ้ำบางขณนะเขายัางทำตัวเหมือนเป็นนายของเราแทนที่จะเป็นลูกจ้างออกคำสั่งโน่นคำสั่งนี่อยู่ตลอดเวลาฉันบอกตรงๆไม่ชอบหน้าเขาเลยแงาสายโครงสีษะช้าๆตาเป็นประกายแจ่มใสมองที่ดารินแล้วเหลือไปที่ร่างอันกำลังหลับของคนที่ถูกนินทานายหญิงเข้าใจผิดครับเรื่องป่าแถบนี้แล้วจะไม่มีใครชนานาญเท่าผู้กองอีกแล้ว ผมขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่าเป็นการเลือกไม่ผิดแล้วสำหรับพรานนำทางผมไม่อาจนำทางให้คณะของนายหญิงได้จะเป็นได้ก็แต่เพียงคนใช้ติดตามที่ซื่อสัตย์เท่านั้นเธอรู้ข่าวได้ยังไงว่าเราจะเดินทางแล้วมาสมัครหล่อนชวนคุยต่อไปอย่างถูกอัธยาศัยผู้กองให้คนประกาศรับสมัครคนที่อาสาเดินทางร่วมไปด้วยคราวนี้กระจายไปทั่วบ้านป่าทั้งใกล้และไกลผมได้ข่าวผมก็มา แล้วเธอมาสมัครเป็นคนใช้เดินทางไปแดนธุร ก, กันดารเสี่ยงชีวิตกับเราในครั้งนี้โดยไม่ขอค่าจ้างเลยเธอมีจุดประสงค์อะไรผมต้องการเพียงติดตามไปด้วยเท่านั้นนั่นนะสีเพื่ออะไรแย่สายยิ้มบางๆแววตาเป็นประกายประหลาดมองฝ่าออกไปยังความดำมืดของป่าเบื้องหน้าเสียงแผ่วต่ำเกือบจะเป็นกระซิบบางที อาจเป็นเพราะชีวิตที่เกิดมาเพื่อเร่นนเร่อนพเนจรระจญไปไปเรื่อยๆของผมก็ได้กำลังครับนายหญิงอีกประการหนึ่งอย่างที่ผมได้เรียนแต่แรกแล้วที่นเกิดของผมอยู่ทางภาคโพสดินแดนที่คณะนายหญิงกําลังจะมุ่งหน้าไปผมอยากจะกลับไปเห็นแผ่นดินอันเป็นปิตุภูมิของผมมันคืออะไรอยู่ที่ไหนกันแน่บอกให้ชัดหน่อยสิดารินขมวดคิ้วอย่างสงสัยซักมา แต่หนุ่มพนเนจรผู้ลึกลับหัวเราะเฉยเสียเธอจะไม่เล่าประวัติของเธอให้ละเอียดกว่าที่บอกกับเราไว้แต่แรกหน่อยหรือความเป็นมาของเธอพ่อแม่ญาติพี่น้องถิ่นฐานแหล่งกําเนิดฉันดูเธอจะเป็นคนลึกลับยังไงชอบคนนะรูปร่างหน้าตาของเธอมันก็ไม่ใช่กะเหรี่ยงอย่างที่เห็นเห็นกันทั่วไปพม่า ก, ก็ไม่ใช่เงี้ยวหรือทวายก็ไม่เชิงเธอเป็นเผ่าอะไรกันแน่ นายหญิงเป็นนักมนุษยวิทยาไม่ใช่หรือครับช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าผมเป็นชนเผ่าไหนดารินยิ่งประหลาดใจเพิ่มขึ้นในคำพูดของแง่ทรายเอ๋หล่อนอุทานสูงจ้องหน้ากระพิบตาทีๆแปลกนี่เธอรู้ด้วยหรือว่าฉันเป็นนักมนุษยวิทยาถูกแล้วฉันเป็นแต่ฉันบอกไม่ถูกเลยว่าโครงล่างและลักษณะหน้าตาอย่างเธอเป็นชนเผ่าไหนคล้ายจะเป็นพวกไทยน่านเจ้า หรือพวกเจ้าของถิ่นสุวรรณภูมิเดิมหรืออะไรฉันก็ยังไม่แน่ใจเธอยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยเท่าที่ผมจำความได้เสียงห้ามีกังวานนั้นกล่าวมาประมาณห้าขวบผมตกอยู่ในความคุ้มครองของพระธุดงองค์หนึ่งท่านเป็นชาวพมา่าท่านจาริกไปอย่างที่แห่งใดผมก็เป็นลูกศิษย์ตัวน้อยติดตามท่านไปทุกแห่งเมื่อท่านใกล้จะมรณาภาพ อายุของผมได้แปดปีท่านนําผมเข้าไปฝากไว้ที่วัดวัดหนึ่งในเมอเืองลาเลียงท่านสมภารวัดรับหน้าที่อุปการะผมต่อจากหลวงปู่องค์นั้นผมเติบใหญ่ได้ได้ร่ําเรียนมาอย่างเด็กวัดที่นั่นจนกระทั่งสงครามโรคครั้งที่สองเกิดขึ้นตามเรื่องที่ผมได้เรียนให้ฟังก่อนแล้วผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีแม้แต่พี่น้องรู้แต่เพียงว่าถิ่นฐานบ้านเดิมของผมอยู่ที่ไหน ผมก็กระหายที่จะไปให้ถึงถิ่นนั้นหญิงสาวไม่ติดใจที่จะซักถามอะไรอีกหันไปทางร่างอนอนกลอนอยของพรานใหญ่ใช้ไฟฉายส่องอีกครั้งแล้วพึมพามเหมือนจะพูดกับตนเองดูเขานอนสิทุเรศทุเรศนี่น้่เหรออดีตในร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดนนักเรียนการทหารจากเยอรม น, นีปัจจุบันนายพรานใหญ่ชื่อก้องหลับไม่รู้เรื่องเลย นี่ถ้าเสือมาย่องมาคาบก็ยังคงนอนกลนอยู่นี่เองกำมังพอเห็นตอนนอนแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นพรานได้ยังไงขี้เ้าชะมัดอย่าว่าแต่เสือเลยมดสักตัวถ้าคารนมาอย่างศัตรูก็จะต้องรู้สึกแต่ถ้าคนมายืนนินทาอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกหรอกครานจะฟังเสียงตอบเบาๆกระแสะเสียงแจ่มสายรอดออกมาจากใบหน้าที่ครอบหมวกสกาดอยู่ เสียงกล่นคงได้ระดับอยู่เช่นเดิมหม่อมราชวงหญิงดาลินดื่มตาโตร้องอุทานออกมาอย่างตกใจหันไปจ้องร่างที่นอนเฉยกลนอยู่นั้นเอ๊ะยังไงกันนี่เรื่องลึกลับอีกแล้วหูฉันฝาดไปหรือเปล่าคงฝาดไปละมัง้งเสียงตอบเบาๆดังมาอีกแง่าสายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมินหน้าไปทางอื่นดาลินเม้มริมฝีปากหน้าแดงหันไปทางแงาสายพยักหน้าบอกว่า นี่แงสายเธอกลับไปเฝ้าหน้าเต็นได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกแง่สายพระไปตามคำสั่งในทันทีพอร่างของหนุ่มกระลียงห่างออกไปหญิงสาวก็เท้าเอวพยักหน้าเนิบเนิบกลับไปหน้าที่มีหมวกครอบอยู่นั้นเฮ้ลูกไม้มากนักนะในพรานกรุณาลุกขึ้นมานั่งพูดกันหน่อยสิกำลังหลับสนิทอย่ากวนใจเสียงตอบมาจากคนกลน ดาลินเหลียวซ้ายแลขวาแล้วก้าวฉับๆเข้าไปที่กองไฟกองหนึ่งสมไว้กระชากฟืนติดออกมาเดินถือกลับมาเอาละถ้ายังหลับสนิทอยู่แล้วก็เป็นโดนไฟเย็นแน่ดูซิจะตื่นขึ้ น, นมาไหมลองดูนะหล่อนขยับท่อนฟืนติดไฟจะโยนลงใส่เขาร่างนั้นจึงค่อยๆะงกตัวในลักษณะแข็งทื่อขึ้นมานั่งเสยหมวกที่ปิดหน้าให้ไปครอบอยู่บนศีรษะ ควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อขึ้นมาจุดสูบจะไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยหรือคุณหญิงดารินวราริศไม่หน่อยละพอดูทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เต็มไปด้วยเล่หเหลี่ยมลูกไม้แพว อ, อย่างนี้มีอย่างหรือนอนกลอยู่ออกครอกๆฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่หลับหลงพูดอะไรดินทาสีใหญ่หล่นพูดปนหัวเราะอย่างถอนฉิวครึ่งยิ้มครึ่งบึน้นแต่ระพินทาหน้าเฉย ทฤษฎีอะไรอะไรในโรคนี้มาล้วนมีข้อยกเว้นทั้งนั้นวิชาแพทย์สอนให้คุณหญิงทราบว่าคนกลนก็คือคนหลับแต่ทฤษฎีของนักต่อสู้สอนผมไว้ว่าอย่าไปเชื่อคนกลนว่าจะนอนหลับเสมอไปอ๋องั้นก็แปลว่ากลนเอาเชิงงั้นสิก็ไม่ได้เอาเชิงอะไรหรอกมันเป็นธรรมชาติของผมอย่างนี้เองถ้ากลนไม่หลับท่านหลับไม่กลน คุณไม่ได้หลับเลยจะหลับอะไรลงล่ะมายืนค้ำหัวนินทาอยู่แจ้วเจ้าเจ้าออกก็เลยกลนต่อไปดักฟังดูว่าจะนินทาอะไรมั่งไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่อยากจะลุกขึ้นมาขัดคอตะหากได้ยินหมดทุกอย่างที่ฉันพูดกับแงซายถึงไม่ได้ยินโดยหูก็ได้ยินโดยพลายกระซิบเอาละได้ยินก็ดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนยิ้มยอะ ถามอย่างเจตนาจะหาเรื่องจอมพานยักไรเฉยเฉยหมายความว่าอย่างไงที่ว่าเฉยเฉยนะในเมื่อคุณก็ได้ยินหมดแล้วว่าฉันพูดถึงคุณอย่างไรก็เฉยเฉยนะ่ะสิจะโกรธหรือจะเกลียดฉันก็ยังได้นะไม่ขอร้องและไม่ขอโทษหรือแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นก็ไม่เห็นจะต้องขอร้องหรือขอโทษอะไรเลยนี่ทําไม คนที่ว่าจ้างผมด้วยราคาสองแส0บาทย่อมมีสิทธิในการที่จะนินทาไรผมได้โดยเสรีจะวิจารณ์ในงานรับใช้ของผมว่าเลวหรือไม่เหมาะสมยังไงก็ได้ทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือเรียกเงินค่าจ้างคืนหล่อนปั้นหน้าบึง้งแต่แล้วก็อดทุรอออกมาไม่ได้กับฟัดกับเฟียดผ่านรีผ่านขวางร้ายนักนะแกล้งทำเป็นนอนหลับที่แท้ก็นอนฟังเหลี่ยมจัดพิลึก เปล่าผมนอนของผมอยู่ที่นี่ดีๆคุณหญิงก็มาพูดคขำหัวผมเองฉันไม่ได้คขำะฉันยืนห่างจากหัวคุณตั้งสามสี่วาจะบอกให้รู้ตัวสักนิดก็ไม่มีปล่อยให้พูดอยู่ได้ปล่อยให้พูดเสียได้โดยเสียรีดีกว่าจะเก็บเอาไว้นี่ในพรานเสียงของหล่อนอ่อนลงฝืนยิ้มความจริงฉันไม่ได้นินทาอะไรคุณหรอกนะฉันแกล้งพูดกับแงซ า, ายไปงั้นเองแหละ อยากจะจับพิรุธของเขาว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณที่ฉันพูดออกไปเช่นนั้นเป็นการทดลองคนนะ่ะแต่ก็เห็นเข า, ขาเคารพเลื่อมสายยกย่องคุณดีซึ่งคุณก็คงจะได้ยินแล้วอ้าวไหนบอกว่าจะไม่แก้ตัวยังไงล่ะฉันพูดความจริงแต่หางงานเหรอครับแหมถ้างั้นผมก็ปลื้มใจมากนะสิที่คุณหญิงไม่ได้นินทาผมเพียงแต่เพื่อจะลองใจเจ้าแง่ายของเราเท่านั้น แต่คุณหญิงอย่าเป็นห่วงเลยครับเรื่องนั้นเจ้าหมอนั่นรพินชี้มือไปด้านที่แงซ า, ายเดินพระไปรู้ดีอยู่ตลอดเวลาว่าผมไม่ได้หลับและหมอก็เป็นนักจิตวิทยาชั้นสูงพอที่จะโต้อตอบอะไรกับคุณหญิงเกี่ยวกับผมเพื่อให้ผมได้ยินเป็นการเรียกคะแนนไว้วางใจจากผมเพิ่มขึ้นตายอะไรกันนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าแงซายหรือว่าคุณไม่ได้หลับถ้าผมไม่รู้ ผมก็ไม่ใช่รพินภัยวันเท่าเท่ากับเจ้านั่นไม่รู้โดยคิดว่าผมหลับหมอก็คงไม่ใช่แง่ทายก็แปลได้อีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็ควรจะเป็นดารินวราลิศคนนี้หล่อนคลางออกมายิ้มจืดจืดจอมพรานลุกขึ้นช้าช้าบิดขี้เกียจปิดปากหาวไม่มีใครฉลาดรอบรู้ไปทุกอย่างหรอกครับผมไม่รู้อะไรเลยในเรื่องแพทยาศาสตร์หรือมนุษยวิทยา แต่คุณหญิงผู้ชำนาญในวิชาสองแขนงนี้เกิดมารอบรู้ในด้านสอดแนมระหว่างตนของวิชาเสือพรานมันก็ผิดไปคิดเสียว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขำขันเสียก็แล้วกันครับหลอนจุปป๊บปากโครงศีษะคางออกมาแงาสายไม่ยักเตือนให้ฉันรู้สักนิดว่าคุณไม่ได้หลับถ้าหมอฉลาดจริงมันเรื่องอะไรที่หมอจะต้องบอกให้คุณหญิงรู้ผมบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าไอ้หมอนี่มันลึกลับที่สุด แต่ฉันไม่เชื่อเลยว่าเขาจะมีอันตรายอะไรกับเราหรือคุณคิดยังไงเวลาและเหตุการณ์เท่านั้นครับที่จะพิสูจน์ได้ขณะนี้ก็เท่ากับเราครบคนจอไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนมีหนำซ้ำยังมีประวัติไม่น่าไว้ใจแต่การเดินทางของเราครั้งนี้เป็นการเดินทางมหาวิบากคล้ายๆจะไปสู่ความมรณะอยู่แล้วผมถึงไม่แครว่าแง่ายจะมาไม้ไหนออกจากกลมช้างเราจะได้รู้ได้แน่ชัดว่า หมอนี้จะเป็นพิษเป็นภายอะไรหรือเปล่าแล้วจอมพรานก็หันมาจ้องหน้าหล่อนเสียงที่ถามเกือบจะห้วนทําไมไม่นอนฉันนอนไม่หลับหล่อนสารภาพเบาๆถอยไปนั่งที่โขดหินเตี้ยเตี้ก้อนหนึ่งอันเป็นธรรมชาติราวกับจะมีมือใครมาวางเป็นแท่นไว้ทอดสายตาออกไปยังแนวป่าที่เป็นฉากดํามืดเบื้องนอกแสงไฟวอมแวมจากกองไฟที่ก่อไว้ห่างๆสาดจับผิวหน้าแดงเรื่อเป็นเงาราง สายตาของรพินจับอยู่ที่เบเดางามนั้นนิ่งแล้วคุณชายกับคุณชายยันหลักหมดแล้วทำไมไม่เขียนวิทยานิพนธ์อยู่ในเต็นท์ทำไมไม่ฟังจานเสียงสเตอริโอที่เตรียมมาร่อนยิ้มเนื่อยๆหนื่อยหันมาสบตาเมื่อไหร่ถึงจะเลิกประชดชั้นสิทธีปาวแน่ด้วยความรู้สึกแท้จริงไม่ควรจะออกมาเดินตากน้าค้างอย่างนี้ดารินสันศีรษะ ฉันกําลังอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นในสิ่งแวดล้อมที่ใหม่และแปลกนอนก็ยังไม่หลับเขียนวิทยา น, นิพนธ์ก็ไม่มีสมาธิฟังเพลงฉันก็เพิ่งจะมารู้สึกเอาเดือวนี้เองว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยในภาวะเช่นนี้ฉันมาป่าดงพงไพรฉันควรจะอภิรม์กับธรรมชาติของป่าซึ่งมันน่าจะให้ความสุขมากกว่าที่จะฟังดนตรีจากจานเสียงถูกของคุณแล้วนายพรานเจ้าสิ่งรกรุงรังที่ฉันหิ้วติดตัวมาด้วยเหล่านั้น มันคงไม่ให้ประโยชน์อะไรกับฉันในป่านี่หรอกเป็นครั้งแรกที่หลอนเห็นรอยยิ้มอีกชนิดหนึ่งจากระพินภัยวันหลอนไม่เคยเห็นยิ้มชนิดนี้มาก่อนจากชายผู้นี้ถ้าเขาจะยิ้มเช่นนี้ตลอดไปมันก็จะน่าดูไม่ใช่น้อยอนุสติของหลอนกระซิบกับตนเองน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนคลายความกระด้างลงคุณหญิงชอบสิ่งอันเป็นธรรมชาติโดยบริสุทธิ์นี้เหมือนกันหรือครับ คุณพูดเหมือนจะดูถูกฉันงั้นแหละทำไมฉันจะไม่เข้าใจกับมันสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันทําให้ฉันเป็นสุขทําให้ฉันตื่นเต้นฉันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าการมาของเราในครั้งนี้เป็นการเที่ยวป่าโดยเฉพาะแต่นี่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าฉันมาเพื่อจะติดตามค้นหาพี่ชายที่หายสาบสูญไปมันบั่นทอนความสุขของฉันลงเกือบหมดสิน้นไม่รู้ป่านนี้เขาจะเป็นตายได้ดีอย่างไรบ้าง น้ำเสียงในตอนท้ายของหล่อนเศร้าไปสําหรับจอมพรานเขาก็คิดว่าถ้าสตรีผู้นี้ตกอยู่ในอารมณ์เยือกเยน็นอ่อนโยนเช่นนี้ตลอดไปหล่อนก็จะเป็นคนงามไม่ใช่น้อยสวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ได้ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคุณหญิงอย่าเพิ่มวิตกกังวลอะไรไปดีกว่าเรามุ่งมั่นต่อเจตนาเดิมของเราในการที่จะไปติดตามเขาและเราก็ดําเนินการเป็นลําดับไปจนถึงขั้นนี้แล้ว หล่อนควักบุหรีออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตพลานใหญ่จุดไรเตอร์ส่งไปให้หญิงสาวก้มลงจุดพ่นควันคืนนี้คุณไม่ควรจะให้พวกเรานอนกันว่างๆเลยอย่างน้อยที่สุดพาไปนั่งห้างหรือสองไฟก็ยังดีฉันไม่ง่วงเลยสักนิดพี่ใหญ่กับชายยันก็เหมือนกันแต่ทั้งสองคนนั้นเป็นคนว่าง่ายเขาถือวินัยทหารนั่นแหละพอคุณบอกให้นอนเขาก็นอนแล้วก็หลับไปง่ายๆเหมือนเด็ก ผมเห็นว่าเดินทางกันมาเหนื่อยแล้วครับและเมื่อบ่ายนี้ก็สนุกกันพอสมควรแล้วอยากจะให้พักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ก็จะต้องยิงสัตว์กันอีกดารินพยักหน้าลุกคือเดินทอดน่องช้าๆมายืนอยู่โคนต้นมะข่าใหญ่ริมหน้าผาหินเกลี้ยงกอดอกมองออกไปยังแนวป่าทำมึนเบื้องนอกระพินเดินตามมาหยุดอยู่ข้างๆนั่นเสียงอะไรหล่อนเงี่ยหูแล้วถามแผ่วเบาช้างแม่ลูกอ่อน เรียกหาลูกระยะห่างมากแล้วนั่นล่ะลอยตามลมมาเหมือนคนหัวเราะหมานายมันร้องอาจกําลังจับฝูงล้อมกวางหรือแก้งอยู่นิ่งเงียบกันไปครู่กิยาของหล่อนกําลังเคิมผวังดื่มด่าอยู่กับสัรระสําเนียงไพรที่ดังแทรกลมดึกมานั่นเสียงอะไรอีกเก้งยังไงนะครับร้องอยู่ห่างแคมป์เราไม่เกิน200เมตรนี่เอง หลอนพยักหน้าแต่แล้วอีกเสียงหนึ่งก็กระหึ่มมาท่ามกลางความเงียบมันดังอยู่ทางลำธารเบื้องล่างนั่นเองหญิงสาวถอยโดยไม่รู้สึกตัวมาประทะกับแผ่นอกของร่างที่ยืนอยู่เบื้องหลังหล่อนเงยมองดูหน้าเขาจอมพรานยิ้มกระซิบเบาๆเขาละครับไอ้ลายท่าทางจะหิวจัดและกําลังงุ่นง่านป่านี่มันมีทั้งความน่ารักและน่ากลัวนะ หลอนเปรยห่อตัวด้วยความหนาวเยือกก็เหมือนกับผู้หญิงนั่นแหละตาต่อตาสบกันอีกครั้งดาลินหันหน้าเมินหลบปั้นหน้าขึ้มขนมาอีกต่างเงียบกันไปนานระบินต่อบุรีตัวที่สองหญิงสาเปิดไฟฉายในมือขึ้นอย่างปราดจากความหมายแล้วส่องกลาดเปะปะเป็นการซ่อนอารมณ์ออกไปยังแนวป่าในทันทีนั้นลาไฟฉายขนาดแปดท่อนของรอน ก็สาดไปพบกับดวงตาแดงสุกปร่างราวกับทัพทิมเข้าคู่หนึ่งที่โคนไม้ใหญ่ด้านซ้ายมือห่างออกไปประมาณ60เมตรหญิงสาวอุทานออกมาเบาๆอย่างตกใจดวงตาคู่นั้นสู้ไฟนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวหล่อนเอื้อมมือมาจับแขนระพินโดยไม่รู้สึกตัวก็แว่วเสียงกระซิบปนหัวเราะต่ำๆอีเห็นนะครับเสือหล่อนเถียงด้วยเสียงเบาที่สุด ผมยังไม่เถียงคุณหญิงเกี่ยวกับเรื่องยาเลยทําไมคุณหญิงถึงเถียงผมในเรื่องสัตว์ป่าคุณเอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายก็ตาของมันแดงแจ๋ออกอย่างนั้นดูสิยังไม่หลบอีกลาเฟื่อยู่ในมือคุณถือไว้ทําไมยิงสิฉันจะส่องให้ตาเห็นกับตาเสือสะท้อนแสงไฟในลักษณะใกล้เคียงกันมากครับโปรดจําไว้ด้วยยิ่งในเวลานั่งห้างฟังมันเลียกินน้ําในหนองแล้วก็ เป็นเสียงเดียวกับเสียงเสือไม่มีผิดเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างง่ายๆจากสามัญวินิจฉัยช่วงตาเสือจะห่างกว่าตาอีเห็นมากเพราะหัวเสือใหญ่กว่าหัวอีเห็นแล้วคุณหญิงเห็นไหมนั่นตาคู่นี้แคบนิดเดียวไม่เชื่อผมคุณหญิงก็ลองใช้ปืนสั้นที่ติดอยู่นั่นเล็งดูสิครับยิงตามแสงไฟอย่างนี้ง่ายจะตายเป็นเป้านิ่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วฝีมือปืนสั้นของคุณหญิงก็ออกเยี่ยมลองดูสิครับ หล่อนยิ้มตื่นตื่นถอนหายใจออกมาได้สันศีสะฉันเชื่อคุณช่างมันเถอะฉันไม่อยากจะยิงมันหรอกถึงยิงมาเราก็ไม่ได้กินเนื้อมันแบบกรำเปล่าปล่อยให้มันประดับป่าต่อไปหล่อนกระโดกแสงไฟฉายขึ้นลงตาคุณนั้นกระหลบแวบบแล้วเพนแผลวขึ้นไปบนต้นไม้อย่างรวดเร็วพอส่องตามก็ยังไม่วายที่จะจ้องตอบมาอีกเนื้อเห็นพวกบ้านป่าเขาก็กินกันเหมือนกัน แต่มันไม่ดีนะักขาวจัดและว่าที่จริงมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่เราจะล่าเป็นอาหารเลยมันไม่มีอันตรายอะไรกับเราเว้นไว้แต่ชอบทำความนมคาญหงุดหงิดให้ทำความหงุดหงิดยังไงจอมพลานหัวเราเบาๆชอบปุ่นเปียนเข้ามาใกล้แคมป์จ้องจะขโมยเนื้อที่เราขึ้นร้านย่างไว้หรือบางทีเรายิงสัตว์เล็กจำพวกกระจงทิ้งไว้ใต้ห้างยังไม่ทันจะลงมาเก็บ และเผอนอนหลับไปมันก็ดอดมาขาโมยลางเอาไปกินเสียผมเคยยิงกระจงทิ้งไว้ตั้งหกเจ็ดตัวในตอนเย็นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องนั่งห้างต่อไปจนถึงเช้าพอเช้าขึ้นมากระจงพวกนั้นหายไปหมดแล้วยี่เห็นลางเอาไปหมดหล่อนพล อ, อยหัวเราะ อ, ออกมาด้วยความเป็นอริถูกลืมไปชั่วขณะดีนะค่อยๆได้ความรู้เรื่องป่าจากคุณไปทีละ อ, อย่าง ความจริงคุณควรจะเปิดเรซเชอร์พวกเราในเรื่องเกี่ยวกับป่าเป็นเวลาสักหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่เราจะออกเดินทางเราจะได้รู้เป็นทุนไว้บ้างไม่ง่อย่างนี้จะเปิดเรกเชอร์ได้ยังไงครับกับท่านนักเดินป่าที่ผ่านแอฟริกาหรือลุ่มน้ำอเมซอนมาแล้วอารมณ์ของหล่อนเปลี่ยนวับขึ้นมาในบัตรนั้นตาคว่ำขึ้นมาอีกก็บอกมาตั้งหลายครั้งนะว่าโมเล่นไปงั้นเอง เอามาพูดรับหยุดได้โมโหอีกแล้วรู้ไหมอย่าโมโหบ่อยๆสิครับคุณหญิงเป็นนายจ้างผมเป็นลูกจ้างนายจ้างโมโหลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่สบายใจไดรินยิ้มครึ่งบึง้งอีกครึ่งตวัดทางตาคุณนี่เป็นนักยั่วตัวโยงทีเดียวนะเห็นขรึมๆนิ่งๆอย่างนี้เถอะผมว่าคุณหญิงไปนอนดีกว่าครับดึกมากแล้วเออแหนดูสิ บทจะไ้ก็ไ้ขึ้นมาเฉยๆงั้นแหละฉันไม่ชอบอะไรที่มันดูเหมือนเป็นการออกคำสั่งหรือบังคับกันนะจะบอกให้ไม่ได้บังคับหรือออกคำสั่งหรอกครับแต่เป็นการแนะนำอวดดียังไงถึงจะมาแนะนำในเมื่อฉันเป็นแพทย์ฉันรู้เรื่องสุขภาพส่วนตัวฉันดีเห็นยกย่องให้เป็นครูเรื่องการเดินป่าจัดแจงเอาใหญ่เรื่องการนอนหรือไม่นอนนี่นะ่ะมันไม่ใช่พิชานเกี่ยวกับเรื่องป่าหรอกนะ แต่มันเรื่องของแพทย์แล้วแต่วิชาแพทย์คงไม่ได้สอนไว้ไม่ใช่หรือครับว่าคนเราเมื่ออดนอนหรือนอนไม่เต็มตาจะทำให้ยิงปืนไม่ได้แม่นยำเท่าที่ควรและการยิงที่ไม่ดีพอย่ำจะเป็นนักล่าสัตว์ที่ดีไม่ได้ด้วยหล่อนนิ่งไปกลู่เป็นอันว่าฉันแพ้คุณไม่แพ้หรือไม่ชนะหรอกครับเพราะเราไม่ได้เปิดการต่อสู้หรือแข่งขันอะไรกันขึ้น ผมเบียงแต่แสดงความรู้สึกที่ดีต่อคุณหญิงในฐานะลูกจ้างจะพึงมีต่อนายจ้างเท่านั้นคุณนี่พูดเก่งเหมือนกันนะเลี้ยวรถไปได้ต่างๆใจฟังแล้วยิ้มหรือฟังแล้วอยากตบหน้าก็ได้แล้วแต่คุณจะต้องการผมไม่เคยคิดจะพูดให้ตัวเองถูกตบหน้าเลยนอกจากคนฟังจะมีอารมณ์วิปริตผิดอาเพศขึ้นมาเองก็พูดแบบนี้ยังไงละ่ะที่คิดอยากจะตบฉับพันขึ้นมา สรุปไปนอนดีกว่าครับผมม่วงแล้วคุณเดินไปส่งชั้นสิปูโทแค่นี้เองเห็นเต็นท์อยู่โ น, น่นแง่ทรายก็ น, นั่งก่อกองไฟอยู่ทนโทษผมจะนอนละไม่ให้นอนต้องไปส่งชันจนถึงหน้าเต็นท์นี่เป็นคําสั่งเข้าใจอย่าลืมนะสองแสนบาทรับไปเรียบร้อยแล้วจะไม่บริการให้คุ้มค่าจ้างเงินล่ะขอรับกระผมเมื่อเป็นพระราชาสวนีกระผมก็จะไิบัติตามคําสั่ง เชิญเจ้าหญิงเสด็จยุลายาตได้ถ้าจะตามเสด็จข้างหลังหล่อนยิ้มอย่างมีชัยสดัดผมเดินนำหน้าไปอย่างมีสงา่าแล้วปิ่นเดินจูปปากโครงหัวตามไปส่งจนถึงหน้าเต็นท์ขอบใจหล่อนหันมาบอกสั้นๆแล้วปิ่ น, นตวัดมือขึ้นแตะขอบปีกหมวกเหมือนจะทำวันทยาหัดให้ดาลินยิ้มด้วยมุมปากนิดหนึ่งก่อนที่จะก้าวเข้าประตูเต็นท์ไปเขายืนอยู่กับที่อึดใจหนึ่ง ดีดก้นบุรีทิ้งแล้วหมุนตัวกลับพรานสายตาของใครคนหนึ่งก็ประสานกับเขาพอดีเหมือนจะเฝ้ามองอยู่ก่อนแล้วพอศพกันก็หลบโยนฟืนเข้าไปในกองไฟจอมพรานสาวเท้าเนิบๆ เ, เข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆร่างที่นั่งอยู่บนขอนไม้ดิ่มกองไฟนั่นเขาถามต่ำๆแกยังไม่นอนอีกหรือแ ง, ง่ทรายหนุ่มชาวดงนักพเนจรแลขึ้นสบตาอีกครั้งยิ้มนั้นสยายกว้างแต่เป็นประกายลึก ชนิดที่สัญชาตญาณพรานของรพินไม่อาจหยั่งได้เจ้าจงตื่นในยามที่โรคทั้งหลายหลับสนิทนี่คือคำพูดครั้งสุดท้ายของพระทุดงองค์ที่เลี้ยงผมมาแต่น้อยก่าวกับผมว่าไว้ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพนั่นเป็นปัจยญาของพูดภายสมิงร้ายที่คอยสูบเลือดมนุษย์แต่มีอะไรน่าวิตกหรือเชียวหรือ ในเมื่อผู้กองย่อมอุปมาเป็นหนึ่งหมอพรานผู้กำราบปวงผู้สมิงอยู่แล้วแกคงรู้ว่าฉันไม่ชอบความลึกลับของแกเลยแง่ทายแล้วผมก็รู้ด้วยว่าท่านก็ไม่ได้หวั่นเกรงกังวลเลยในการที่จะอนุญาตให้ผมติดตามมาด้วย